ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นให้นึกว่าเวลานี้เราไม่ได้ทำการงานอะไรทางภายนอกมีแต่งานภายในใจให้นึกอย่างนั้น เราทำงานเกี่ยวกับการพยายามทำใจให้สงบเพื่อจะได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นั้นก็เพราะเราไม่รู้ธรรมของจริงนี่แหละก็จึงได้พากันเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ เราได้พบแต่ทมของไม่จริงจิตใจนั้นมันจึงหนีออกจ า, ากโรคอันนี้ไปไม่ได้เพราะโลกียะธรรมนะ่ะเป็นธรรมไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วก็ดับไปแต่บางอย่างมันก็ทำให้ตั้งอยู่นานไปหน่อย บางอย่างก็เกิดแล้วดับไปเช่นรูปกายอันนี้เมื่อบุญกรรมตกแต่งมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตามกำลังของบุญที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมากน้อยเพียงใดรูปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ได้เพียงแค่นั้น ส่วนนามา ร, รมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้มันปรากฏว่ามันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นแหละผู้ไม่สังเกตพิจารณาให้ทีท่วนก็ไม่ค่อยจะรู้ดอกว่ามันเกิดมันดับอย่างไร มิได้พูดที่มาฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบไปแล้วอย่างนี้ถึงจะรู้ได้เพราะเมื่อเวลาใจยังไม่สงบนี้จิตมันก็คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอยู่อย่างนั่นแหละวางจากเรื่องนี้ก็ไปจับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาอ่านวางจากเรื่อง นั่นก็ไปคิดเรื่องโน้นหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนมามธรรมนี่จึงชัว่ามันเกิดดับอยู่อย่างนั้นเกิดเกิดเร็วดับเร็วอืมเป็นอย่างนั้นแหละแต่ส่วนรู ป, ปรธรรมนี่ถ้าจะว่า มันเกิดแล้วมันนานดับกลัวนาะมาทำหน่อยหนึ่งก็ทุกข์ระดังที่เราเกิดมาเนี่ยคนหลายปีละรูปนี่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับแต่ถ้าพิจารณาถึงปัจจุบันนี้รูปกายอันนี้มันก็เกิดดับอยู่นั่นแหละของเกา่า ดับไปเอาของใหม่เกิดขึ้นมาแทนอาหารเก่าถ่ายเทออกไปก็รับประทานอาหารใหม่เข้าไปแทนใส่ไว้อันนี้นะจึงว่ารูปเก่ามันดับไปแล้วรูปใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนแต่มันก็ไม่เกิดดับรวดเร็วเหมือนกันกันกบนามธรรมอ่านไปพิจารณาดู เนิ่มลายเนิม่มโมกเนิ่มเสนเลสเนิ่มหนองเนิ่มเลือด ท, ทดั้งๆมวนี้มันก็ถ่ายเทกันอยู่พราะันนั้นแหละของเก่าออกไปของใหม่เข้ามาแทนไม่มีอะไรดอกย่างยืนเนี่ยรูปร่างกายอันนี้แต่ว่าบุคคลผู้ไม่ได้ อบรมจิตให้สงบระงรับมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเช่นนี้กิเลสมันครอบงมไว้ให้คิดไม่เห็นกิเลสมันไม่ยอมให้คิดพิจารณาถึงความจริงของร่างกายสังขารนี้เพราะฉะนั้นมันถึงไม่รู้นั่นแหละ ต่อเมื่อได้มาฝึกจิตนี่ให้สงบงจากกิเลสอันเป็นคาสึกแก่ความสงบต่างๆแลเช่นนี้นะจึงค่อยกำหนดพิจารณาในสิ่งที่ตนยังไม่รู้แจ้งนั่นมันก็พิจารณาได้บบนี้นะ เรื่องใดเรื่องนามเรื่องรูปที่ตนยังไม่รู้แจ้งอย่างไรยังสงสัยว่าเป็นของเราของเขาหรือไม่ใช่เอออย่างนี้มันต้องต้องกำหนดพิจารณาให้มันหายสงสัยเข้าไปเรื่องมันนะอย่าให้มันสงสัยอยู่่งนั้นถ้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้ว มันก็จะต้องเห็นว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรรูป ก, กาดีนามก็ดีเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังคนเราเกิดมาแล้วใครจะอยากแก่อยากเก็บอยา ก, ก, ก, กตายก็อยากมีอายุอยู่ยั่งยงืนนานไปตลอดการไปนู่นเละแต่มันไม่เป็นไปตามใจหวังส่ เพราะว่ากฎธรรมดาของสังขารร่างกายเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นมันก็แปรผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่มันกฎธรรมดาของสังขารคือสิ่งที่เธอสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในโลกนี้นะทั้งที่มีจิตวิญญาณคลองก็ดี ไม่มีจิตวิญญาณคลองก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดให้พึ่งพากันพิจารณาให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งไอ้ผู้ที่พิจารณาเห็นน้ำรูปไม่มีสาระแก่นสารเช่นนี้เราก็มาพิจารณาถึงจิตผู้ มาอาศัยอยู่ในนามในรูปอันนี้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าจิตนี้เมื่อมันไม่รู้แจ้งในนามรูปนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็มักถือว่าเป็นของเราแล้วก็ใช้กายวาจาใจนี่ไปทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่น นี่ใช้มันไปฆ่ า, าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตายคำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์มนุษย์ด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วยไม่ได้หมายเอาสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวนะคําว่าสัตว์ตะวะแปลว่าผู้คลองอยู่ในโลกดังนั้นผู้ใดยังคลองอยู่ในโลกนี้ก็ได้ชื่อว่าสัตว์ตะวะเหมือนกันหมดแหละ อืจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นอินเป็นพรมก็ดีเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดนี้นะรวมเรียกว่าสัตวะทั้งนั้นเละแต่วันนี้เมื่อมาแยกออกตามสมมุติเขว่าสัตว์มนุษย์อสัตว์เดรัจฉานสัตว์เทวดา อย่างนี้ก็ว่ากันไปให้เข้าใจดังนั้นแหละหันเหตุที่มันคล้องอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะมันใช้กายวาจาใจนี่ทำบาปให้เข้าใจเอานอกจากทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ยังไป เบียดเบียนเอาทรัพสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนบางคนก็ถือเอาโดยที่เจ้าของเขาไม่เห็นเขาเผลอแต่บางคนบางพวกก็สะสมอาวุธไปแล้วเมื่อได้โอกาส ก, าก็จี้เอาเลยเจ้าของต่อสู้ก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายเสร็จแล้วก็ขนของของเขาเอารถจนไปปล้นน่ะ มนุษย์สมัยนีย้เนี่ยมันมันไม่นึกถึงเกียรติของตัวเองเลยตัวก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่หาเอาโดโนนำพังตัวเองมีร่างกายสมบูรณ์มีจิตใจดีอยู่กว่านั้นแทนที่จะไปใช้ความคิดความอ่าน ทำการทำงานด้วยลำแข่งของตัวเองไม่ทำไปซ่องสมกันเป็นโจนรไคอยแย่งชิงเอาสมบัติพวกอื่นที่เขาหามาได้ด้วยแสนยากแสนลำบากนั้นเดี๋บางพวกก็เป็นคนเจ้าสู้มายามีเมียหนึ่งผัวหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอใจ ก็ยังไปสมสู่กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นหรือว่าหญิงคนอื่นชายอื่นหมู่นี้นะนี่แหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปเมื่อบคุคคลไม่พยายามละตัณหาอันรา้กาศอันนี้ออกจากกิจใจ แล้วก็ไปทำบาปโดยตันหาอันนี้แหละไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนของรักของชอบใจเขาเขาก็ยอมเสียใจเป็นธรรมดาบางคนก็ไม่สำรวมวาจาของตนนึกว่าตนนั้นมีอิสระที่จะพูดอะไรก็พูดได้ตามประสงค์ แต่แท้ที่จริงแล้วนะแแท้ที่จริงแล้วโลกอันนี้มันมีกฎเกณฑ์มันมีระเบียบอยู่ก็ยังว่ามีดีกับชั่วถ้าใจดีมันก็พูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็พูดชั่วไปการกล่าววาจาในมันเนื่องมาแต่ใจ การกระทำอะไรทางกายก็เหมือนกันนั้นอนองมาแต่ใจหมดนั่นแหละดังนั้นการที่บุคคลจะเว้นจากพูดเทศพูดซอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้เอเจือต่างๆหมนี่ได้เพราะอาศัยฝึกใจนี่ให้รักต่อความจริงแล้วก็ให้นึกถึงว่าคำพูดนี่เนะี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธ ภายนอกมีปืนเป็นต้นเพราะว่าการที่คนเราจะรบกันเนี่ยโดยอาวุธยุทภั์เนี่ยมันต้องรบกันด้วยปากซะก่อนด่ากันไปด่ากันมาเอาเถกกเมื่อมันโกรธขึ้นสุดขีดแล้วมันกระทนไม่ไหวดาวนี่ก็ยกกองทัพไปห้ำหั่นกันลงไปถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็เหมือนกันนะ ต้องโตเถียงกันซะก่อนโตกันไปเถียงกันมาความโกรธมันขึ้นทุดขีดแล้วก็เอา้ปประหัตประหารกันแลบวันนี้ด้วยอาวุธต่างๆแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้บุคคลผู้ที่ไม่ไม่เห็นโทษแห่งคำพูดไม่ระวังไม่เลือกคัดจัดสรรการพูดการจาแล้วนำทุกข์นำภัยมาให้จริงๆไนงะ ท่านจึงผูกเป็นคำโครงไว้ว่าอาวุธใดในพยผีพบไม่ลบปากแม่นน้อยมากฟันฟาดขาดเป็นศิลจะดีร้ายจะขายกินสิ้นใจพบจบเจรจาดังนี้อันนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วนะเป็นความจริงอยู่แล้วดังอธิบายมานั่นเนี่ย เพะฉะนั้นให้พึ่งพากันเพือการกล่าววาจานี่ให้มันดีมันงามกล่าวแต่คําจริงอย่าไปพูดโซเสียดให้เขาทะเลาะวิวาทกันอย่าไปพูดคําหยาบต่อใครและใครเพราะใครก็ไม่ชอบคําหยาบนี่นะ่ะต้องระวังคําพูดอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดไม่มีเหตุไม่มีผล พูดไม่รู้จักการเวลาอย่างนี้มันก็มีโทษเหมือนกันเรื่องมันนะให้สำคัญเรื่องการกล่าววาจาให้มากทีเดียวอย่าไปละเลยไปการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีสติสมตัมปชัญญะระลึกก่อนเสมอที่จะพูดอะไร อย่าไปวู่วามไปตามอำนาจของกิเลสต้องยับยั้งใจซะก่อนเรื่องสำคัญสา ค, คัญที่จะพูดนั่นนะถ้าพูดออกไปแล้วมันกระทบกระทั่งกับใครเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือไม่หนอ ง, องนี่นะก็รู้ถ้าเรากำหนดพี่นานนะโอ้ในในสังคมนี้ถ้าเราพูดเรื่องอย่างนี้ออกไปมันจะกระทบกระททั้งคนบางคนบางพวก ให้เสียใจเจ็บใจอย่างนี้แล้วก็ไม่พูดมันแหละอืแต่พี่นาเห็นว่าเรื่องที่จะพูดไปนี่ไม่กระทบกระทันกันใครแหละอย่างนี้ก็จึงค่อยพูดไปนี่นะต้องฉลาดพูดในในเวลาเข้าสังคมคนเราเนะี่ยอย่าไปพูดตามอารมณ์ตามกิเลสแต่พูดตามกิเลสแล้วไม่ได้บางทีก็ ชั่วไปเร็วช้าไปอำนาจกิเลสนะมันเป็นอย่างนั้นมันเนื่องมาแต่ใจทั้งนั้นนะการดื่มเหล้าเมาสุรามุนี่มันก็มาจากใจนั่นแหละใจชอบมันใจไม่ฉลาดไปคบกับเพื่อนนักเลงสุราเข้าไปอย่างนี้แล้วไม่ไม่ดื่มก็จำต้องได้ดื่มทีพอไปคบเขาเขานี่อืม ก็ดื่มทีละทีละน้อยไปนานเข้ามันติดเราก็ดื่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเสียผู้เสียคนนะเนี่ยเมือเรามันก็นมาจากจิตี่ทั้งนั้นแหละให้เข้าใจจิตไม่ฉลาดไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักว่าควรหรือไม่ควรอ่าอย่างนี้นะ ก่อนจะพูดจะทำอะไรไม่ใคร่ไม่ครวนให้ละเอียดถีท่วนกรเรื่องเมื่อทำลงไปโดยไม่ใค ร, ครนะ่ครวญมันก็มีพลาดนั่นแหละมากกว่าที่จะมันจะถูกต้องอมันเป็นอย่างนั้นแต่บางทีใคร่ครวนแล้วมันก็ยังผิดอยู่เพราะว่าความคิดความเห็นมันมันไม่แจ่มแจ้งในเรื่องนั้นโดยแท้จริง แต่มันสําคัญผิดไปก็มีบางทีเนะี่ยออย่างนั้นก็มันก็เหลือวิสัยเราพิจารณาแล้วแต่ว่ามันไม่ทะลุโ ป, ปร่ปปองอมันก็พลาดไปเราก็ยอมยอมรับผิดลงไปแล้วตั้งใจสํารวมระวังไปใหม่ออย่างนี้แหละผิดแล้วก็ยังไม่อธิษฐานใจละเว้นความผิดนั้นยังทํายังพูดไปอยู่อย่างนี้นะมันก็ บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่ออกถอนออกจากจิตใจในี้ได้สักทีแล้วให้เข้าใจคำว่าผียันเพียเพ้ยนละบาปนั่นก็ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเผลอไปคิดรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันเกิดบาปอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจเห็นนี้แล้วรู้ตัวแล้วก็กำหนดใจอธิษฐานละ ต่อ น, นี้ไปเข้าไปเจ้าจะไม่ทําจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอํานาจของความสัตด์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปกรรมวันนั้นจงระงับดับไปอย่างนี้นะเมื่อเราอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วธรรมะของเราสมถทานศีลกลับคืนมานั่นแหละรู้แล้วว่ามันเผลอไปทําให้ศีลข้อน้ำมาัขาดไปอย่างนี้นะเราอธิษฐานใจ ว่าจากไม่ทำอย่างนั้นต่อไปอีกนี่ก็ชื่อว่าสมท า, านศีลข้อที่มันขาดไปแล้วเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละทุกคนขอให้เข้าใจาการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นผู้ฝึกจิตใจนี่เองเนี่ยเมื่อฝึกจิตใจให้ดีได้มันก็มันมันก็มีการสํารวมกายสํารวมวาจา ก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็พิจารณาเสียก่อนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการทำการพูดมันก็ค่อยไม่ค่อยจะพลาดพังเลยอันนี้แหละที่คนเราจะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าไม่ยอมละกรรมชั่วต่างๆเหล่านั้นนะกรรมชั่วนั้นนวเลเนียวชีวิตให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้นะ เอากรรมชั่วมันนำไปนรกอบายภูมิทนทุกข์อยู่นั่นพอแรงแล้วพ้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นมาบาปกรรมยังไม่สิน้นมันก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญกุศลก็ทำนี้เมื่อบาปกรรมมันจนจะหมดแล้วมันก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์าบาปปฏิตามานี่บาปที่ยังไม่หมดสิ้นนะนนะมันมีเศษมีเหลืออยู่นะนะั่นน่ะ เอามาตกแต่งร่างกายนี่ให้ไม่สมบูรณ์พูนสุขแล้วมีอวัยวะร่างกายบกพร่องไปส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นว่าแขนด้วนขาด้วนมาแต่กาเนิดอย่างนี้นะบางรายก็ตาบอดหูหลวกมาแต่กาเนิดก็มีตร น, นี้น่นเรียกว่าเศษบาปมันยังไม่สิน้นทีนี้บางพวกเมื่อทําบาปแล้วเสวยวิบากรร ม, มนั้น หมดลงไปแล้ ว, ลวนะนี่บุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อนมันจึงนำมาให้เกิดเป็นคนเกิดเป็นคนยึงได้มีอวัยวะร่างกายน้องใหญ่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องออันนี้ทีนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์อย่างว่านี่แล้วมันลืมตัวสิคนเรานะ่ะเพราะมัน ล, ลึกชาติหนนหลังไม่ได้ วัตถชาติก่อนเราไปตกนรกหมกไหมเราไปเคยเป็นสัตว์สิ่งที่ไรชานอะไรอยู่ก็รู้ไม่ได้เลยจึงได้สําคัญว่าตนนั้นไม่ได้ทนทุกข์ทรมานอะไรมาเลยทั้งวัตถชาติก่อนหนุนหลังเพราะฉะนั้นจึงได้เพลิดเพลินมัวเมาในเลยฮะนี่คนบางคนมีร่างกายสมบูรณ์แล้วนะเต้นสามสอกออกําว่าเอ้าชอบดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาพิน พอมู่เพื่อนผุงที่เป็นนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงเล่นการพนันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหาหิเลยใช้กายวาจาอันนี้เนะี่ยที่บุญกุศลตกแต่งให้มันได้ทำชั่วเรื่อยไปอย่างนี้แหละคนเรานะ่ะเมื่อหมดอายุสังขารลงบาปกรรมนละ้มันก็นำไปสู่นรกของเก่าอีก เมื่อพ้นจากนลรลกมามาเกิดเป็นคนอีกเมื่อยังไม่ได้ฟังคําสอนพระเจ้ายังไม่รู้สึกตัวยังไม่กลัวทุกข์กลัวบาปกรรมมันจะนําไปสู่ทุกข์ตราบใดแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างว่านี่เลยอือาบุญกุศลก็ทําบาปก็ทําเมื่อพ้นจากบาปแล้วก็มาเสวยผลบุญขณะที่เสวยผลบุญอยู่นี่ก็ไป ทำบากเข้าไปอีกอย่างนี้นะมันต่อหางกันไปเรื่อยๆเมื่อไรมันจะจบลงได้วันนี้นะมันจบไม่ได้ต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระตัวเจ้าเกิดฮีริโอตประธรรมขึ้นมาในใจเกิดความละอายเกิดความสะดุ้งหวากรัวในการที่จะทำความชั่วกลัวจะความชั่วนั้นจะตามสนองให้เพลินทุกข์ ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดเทวีโอตเปธรรมขึ้นในใจอย่างนี้แล้วเออนั่น แ, แสดงว่ามันเชื่อบุญเชื่อบาปวะ น, นี่นะอ่าจิตใจอันนั้นนะถ้าหากว่าจิตดวงนี้ยังไม่เชื่อบุญเชื่อบาปว่าอํานวยผลได้เป็นถุกเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันก็มันละบาปไม่ได้อหมายความว่าอย่างนั้นเลยจิตนี้ละบาปไม่ได้ เหตุนั้นถึงได้คล่องอยู่ในโลกสงสารนี่ขอให้เข้าใจกันบุคคลจะหนีจากโลกสงสารอันนี้ได้เพราะละบาปนั่นเองเมื่อบุคคลใดยังไม่ละบาปแล้วจะไปภาวนาฝึกขนจิตใจให้สงบให้จะปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้นะมันผิดขั้นตอนกัน เพราะว่าบาปกรรมเนี่ยมันครอบความจิตใจให้เศร้าหมองขุนมัวให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนี้นะแล้วมันมันจะสงบได้ยังไงอ่ะบาปกรรมมีอิทธิพลอยู่ในใจแล้วอืาดังนั้นเนี่ยผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามอธิษฐานใจละเว้นคำชั่วต่างๆดังกล่าวมา น, ะนะั่นแหละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจ เอแล้วก็เมื่อละบาปกรรมทั้งหลายหมดไปสิ้นไปจากจิตใจแล้วตั้งหน้าบําเพ็ญแต่กุศลคุณงามความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้เอจิตใจมันก็จะส ง, งบลงไปได้แบบนี้นะเมื่อเมื่อมีแต่บุญแต่กุศลมีแต่คุณพระระัฒนไกลยอยู่ในจิตใจอันนี้อย่างนี้ มันก็น้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงได้บริสสงบได้ไมเป็นงนั้นไอ้เรื่องการทำจิตให้สงบเนี่ยสำคัญมากพุทธศาสนิกระชนทั้งหลายให้เข้าใจเราจะไปเจริญปัญญาเลยไม่ได้ดอกการที่วันเมดังจิตใจนี่นะ่ะมันต้องมาฝึกใจเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันสงบให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเสียกอน เมื่อจิตมันสงบระ ง, งับจากอารมณ์ต่างๆไปได้หมดแล้วมันสงบอยู่ในปัจจุบันเป็นหนึ่งไม่มีสองอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วฝึกอะไรนี่จนถ้ามันตั้งมั่นจริงๆนะตั้งอยู่ทั่วเขาก็ไม่ได้อีกต้องให้มันตั้งมั่นอยู่นานทีเดียวแหลอะอเช่นนี้ละการเจริญปัญญานะ พิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เห็นแจ้งประจักษ์ได้สามารถละบาปได้สามารถบาเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีในตนได้นี่น ะ, ะเมื่อเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตั้งใจหาโอกาสหาหนทางละบาปกรรมความชั่วอันใดที่ตนยังละไม่ได้นั้นพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปให้ได้ ออย่างนี้แหลยมันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตัวของตัวเองเป็นผู้พิจารณาตนเองได้ว่าตนเองนี่ยังตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสเมื่อยังตกอยู่ใต้อํานาจของกิเลสตราบใดก็ย่อมได้เสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์นั่นแหะมากกว่าสุขนี่ต้องอ่านตัวเองให้มันออกอย่างนี้คนเรานะ่ะ ถ้าไม่อ่านตัวเองให้ออกแล้วไอ้กิเลสบางอย่างมันก็นล่อจิตให้เพลินให้เมาให้สนุกสนานนึกว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเชยชมนละมันจะเป็นสุขสบายดีอย่างนี้นะแน่มันไม่ใช่สแล้วหอยพากันเข้าใจนี่แหละปัญญานะ่ะตามรู้ตามเห็นอื วิถีจิตที่มันคิดไปตามอนากิเลสอย่างไรเราก็ตามรู้แล้วก็กาหนดละมันไปปรงมันลงขันธ์ทั้งห้านี่นะมันไม่ใช่ของเราหัดปรงหัดวางมาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนชื่อว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภายในสงสารอันนี้จริงๆ แล้วอยากจะพ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารนี่จริงจึงได้ตั้งใจทำความเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นออกจากกิจใจดังแสดงมา